วันนี้เราสวดบทสําคัญเรื่องบทสําสคัญนะก็คือมันเป็นหนทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์เลยตามบทสวดเรสวดแบบนั้นละทุกอริยสัจ4ี่มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรนึงเป็นหนทางเดินสู่การรู้แจ้งเราเรียกว่านิโรธนิโรธก็คือมันแจ้งอะนะ ต้องเห็นก่อนทุกเนี่ยปฏิบัติทําต้องเห็นทุ ก, ก่อนอันดับแรกนตอนนี้ถ้าทนได้ให้ทนนะในชั่วโมงเนี้ยทนได้ให้ทนเลยฝึกหัดหนึ่งชั่วโมงยังไม่ต้องลุกนะถ้าใครปวดมากๆแล้วก็ปสัสสาวะแลดนะเดี๋ยวจะซักให้จะไปล้างไว้ซักให้หมดเลยมาฝึกมาหัดเด้ทีนี้ ไม่ได้คิดเราอพูดเราเองนะมันมีที่มาที่ไปอยู่ตัง้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเนเรื่องแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับกายกับใจของเราจัดระเบียบจัดวินัยของมั น, นชั่วอโมองที่ต้องทนก็ทนชั่วอโมองที่อิสรับภาพจะทำอะไรก็ทำบางเหตุการณ์ต้องใช้ความอดทนอดกลัน้นสูงทีเดียว บางเหตุการณ์ก็พักกายพักใจเต็มที่สละภาคปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่พวกมีสติเขาจะรู้จักนะรู้จักทุกมันคืออะไรกำหนดรู้บางอย่างมันแก้ไขผ่อนคลายบันเทาทุกกายนะแต่ว่าจะระเบียบวินัยมันนิดหนึ่งทุกจิตทุกใจแล้วทั่วระยะสัตว์สี่สามมันลักษณะเหมือนเหมือนกัน กริปตาหายใจนั่งเดินยืนนอนปวดเมื่อยต่างๆเหมือนกันทุกคนนั่นแหละ mm hmm. เป็นทุกสสานก็พ่อนคลบรรเทาแก้ไข mm hmm. ทุกจิตทุกใจกลับมาทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่แหละคือมัค ก, mm hmm. กลับมากรรมฐานการเคลื่อนการไหวเผยง่ายคือรูปธรรมนามธรรม อาการต่างๆที่เรารูปทนานำทาก็ถูกรู้ถูกเห็นมัมีตาในเห็นกายเห็นใจตาสติตาปัญญาม่จะผ่านได้คำตอบแหล ะ, ะหายสงสัยเรื่องชีวิตอาการต่างๆนั้นเป็นทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์ในพระไตรลักษณ์อาการของกายก็เกิดตามอาการของจิตของใจกเกิดตอบแยาไปหาละเอียดน สติสมาธิปัญญามันก็เกิดดับเหมือนกันแหละรู้ยึดรู้กัยึดไม่ได้ครับบางทีมันก็รู้บางทีมันก็ไม่รู้นี่คือการเดินทางมักเป็นมักแต่ยังไม่เป็นผลถ้าเป็นผลก็คือมารู้แจ้งเห็นจริงทํางานเรียนหนังสือมามาทํางานทําการ อันนี้เป็นทางเดินไปสู่ความสําเร็จนะผลก็คือความสําเร็จแต่ตอนนี้ยังไม่สําเร็จมันกำลังเดินทาง <c oughs> ความรู้สึกตัวก็เหมือนก็นจะเป็นเช่นนั้นนะขณะที่มันรู้ทุกเห็นทุกแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะยังไม่เห็นเหตุแห่งทุกมันก็ยังก้าวล่วงจากความทุก์ไม่ได้เพราะนั้นปฏิบัติธรรมต้องเห็นความเจ็บความปวดความเมื่อยความหิว อาการของกายนั่งเดินยือนนอนนะมันแก้ทุกข์มันตลอดนั่นแหละสาวุรชนคนทั่วไปนี่โอยใช่นะประเดี๋ยวทาจะนั่งสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงนะโอยไม่ไหวแย่แ yeah, ย yeah. อาการต่างๆปั่นปวนไปหมดมัน ป, น, ปนปลุกชวนให้เราหลงแทนทีนะ่ความรู้สึกตัวฐานกายมันจะปลุกสติให้ตื่นไม่มันกลายเป็นอาการต่างๆชวนหลงตั้งแตเราก็หลงมานานแล้วนะ พอเรามาฝึกมหมือนคนป่วยรักษาโรคพยายามรักษาโรคโรคใหม่มันก็แฝงเข้ามาเรื่อยๆบางทีมก็ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะไม่ใช่ยังอย่าง h เ n-1 ฟน่ี้มันเกิดจากภูมิต้านทานของตัวมันเองมันตื่นตระหนกตกใจเกินเหตุออกมาจากนั้นลุมกินจนปอดเละบางทีมก็เป็นอย่างนั้น ตื่นมากไปแทนที่จะเป็นเชื้อข้างนอกกลับเป็นข้างในนี่ยแหละแล้วเวลาตั้งความรู้สึกตัวเนี่ยต้องทำให้เป็นเคลื่อนไหววางกายวางใจต้องทให้เป็นมันจะได้เป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลไปเรื่อยๆก <c oughs> วาดบ้านกวาดให้เป็นดูทิศทางลมให้ดีๆลมพัดมาทิศทางไหนจะกวาดไปทางไหนไมกวาดตัวลมมลันมาไหนมันจะสะอาดถูบ้านเหมือนกันน ถูให้มดีๆจบแล้วเช็ดก็ดูได้เช็ดสะอาดหรือเช็ดล้มเป็นโครอนไปขยี้ไปซักน้ําใหม่แล้วก็มาถูใหม่หรือว่าใส่กรองกร อ, องน้ํากรองแล้วกรองอีกกรองอีกมันสะสมคแาบสกปรกก็ไม่ได้ล้างสักทีปรากฏว่าน้ำเข้าสะอาดน้ําออกมากับสกปรกมันก็เป็นไปได้นะ นั่นทำอะไรจะต้องเรียกว่าสังเกตมันเป็นมรรคมันเป็นผลไปยังไง <Yeah. S 1> การเคลื่อนการหยุดเคลื่อนแล้วก็รู้หยุดแล้วก็รู้น่ะเป็นไงทำ <Yeah. S 1> ไมต้องเคลื่อนต้องหยุดรู้เคลื่อนรู้หยุด <Yeah. S 1> รู้ตัวแล้วก็ตัวรู้ทิมแสดงออกมาความเป็นปกติน่ะเป็นอย่างไงจะรู้ลมหายใจตากรนะพริบรู้อะไรก็รู้ไปแต่ที่สำคัญการเคลื่อนมือเนี่ยมีเจตนาเคลื่อน มันก็จะเป็นมักเป็นผลนะเบื้องต้นนก็ต้องรู้ของอย่าไปก่อนนั่นแหละมีอาการต่างๆมากมายนะมันก็คือธรรมชาติทั้งนั้นนะถาวางจิตวางใจเป็นนะมันก็จึงเป็นปริญญานะบางอย่างกำหนดรู้ด้วยการรู้ทำอะไรมันไม่ได้เช่นลมหายใจมันหายใจก็มันตลอดหัวใจเต้นจะทำไง ระเต้นเขามันอยู่ตลอดนั่นแหละกำหนดรู้ใยการรู้มันแก้ทุกข์ในตัวเขามันเยียวบทการเคลื่อนการไหวต่างๆมันมีอยู่ตลอดเวลากําหนดรู้ในการผ่อนคลายบรรเทาก็นี่แหละปวดปสวัสสาวะก็ต้องหาวัตถุหนึ่งสอสห้องน้ําห้องท่าขันกระป๋องน้ําต้องน้ําชักโครกสารพัดต่อสายเวลาจากจุดหนึ่งเดินไปทีละเก้าทีละเก้า ข่ยจะถึงจุดหมายปลายทางแก้ทุกได้เข้าสุขขาอย่างเงี้ยนะทุกภายในจิตใจนี่ไงนะคิดปั๊บกลับมารู้สึกก็แก้ทุกทันทีแต่หลายคนทําไม่เป็นกลายเป็นยากมากเรื่องจิตเรื่องใจตภาวะทุกภายในจิตใจทุรรศสัตว์สี่เราจะทําไงกับมันพระเจ้า ก, ก็บอกมาแล้วนมักคือการเจริญสติสติก็ต้องเจริญมักก็คือเจริญสตินั่นแหละ มันจเจริญสติสติมันก็จเจริญก็เป็นการเดินทางรู้สึกครั้งหนึ่งก็เดินทางนะวางอดีตนะไม่ไปในอนาคตนะมันก็อยู่กับปัจจุบันมันก็เห็นของจริงเ น, น, นะอันนี้ก็เรียกว่ากำหนดรูนะ้โดยการละทันทีความคิดนี่ละทันทีนะอย่าไปอ้อยอิงกับมันนะอย่าไปเสียเวลากับมัน เวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเวลาสัมผัสรู้สึกที่ฐานกยนะายของเราสติมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วก็เดินทางไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นลูกโซ่นะต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมผัสสัมพันธ์กันไปในรูปแบบนะนอกรูปแบบสัมผัสสัมพันธ์กันไปนะเช่นปฏิบัติกันมาทั้งวันเป็นยังไงบ้างตอนช่วงที่พักนะจับเข่าคุยกันสนทนาทำร่วมหมดเลยนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ยไม่เหลือเลยแหละจะกลายเป็นดือด้อยาโรคดื้อยาหาห้าใช้สิบขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินหาเงินเท่าไรจะไม่พอใช่เพราะว่ามันรั่วหมดตักน้ําใส่โอง่งรูมันรั่วหมดกรรมาฐานก็เหมือนกันทำมาเอาไปพูดไปคุยกันรั่วหมดอันนี้เป็นโรคดื้อยาไปเลยดือด้อดันดั น, ดนไปจิตของเราสอนยากสอนเย็น มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําว่ามากก็คือจเจริญสตนะิรู้สึกที่กายก็ต้องรู้สึกที่กายไปนะจะกระทังมันชนานาญแล้วมันมีสติกับความคิดนะรู้เท่ารู้ทันความคิดเออก็ว่ากันไปนะแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราเนะมื่อเราทําเหตุดีผลมันก็มีขึ้นมานะมันก็พึ่งได้เราก็พอใช้ด้วยนะทําแบบสวัน5วันนะบางคนก็มีวินิสัยมาก่อน เคยฝึกรูปแบบนั้นรูปแบบนี้รูปแบบน้นมาเคยฝึกอาจารย์นั้นอาจารย์นี้อาจารย์น้นวัดนั้นวัดนี้วัดน้นมากลายเป็นการต่อยอดทันทีที่นี้ก็เคลื่อนไหวหกันมันก็วางของเก่าไว้แล้วก็เออไม่ได้ปฏิเสธที่กําลังรับรู้เรียนรู้ฝึกหัดเมื่อเห็นจริงมันก็เรียกว่าปฏิบัติต่อไปละไม่หยุดมันก็เลยต้องอาศัยนะ สิ่งแวดล้อมอาศัยรูปแบบอาศัยกะเลมิตรกูบาอาจารย์อาศัยตัวศรัทธาที่เกิดขึ้นมาความเชื่อทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วทำกรรมฐานนี่มันอยู่เหนือดีเหนือชั่วอย่างนี้นะเมื่อกลายเป็นความเชื่อศรัทธาที่มันเป็นศรัทธาสัมปยุ์นะไม่ใช่ศรัทธาวิปยุศวิปโยคศรัทธาหัวเต่าปลุกปลอศรัทธาก็ตายประเภทที่ วิ่งไวเวลาศรัทธาก็ศรัทธาเต็มที่นะขยันกระทาเต็มที่พอเวลาเบื่อขึ้นมาก็หยุดอย่างงี้ยไม่ทําต่อนะความขยันพาทำความขี้เกียจพาหยุดพอทํามันไม่อร่อยพอพูดคุยมันก็อร่อยนะก็เผลอหมดเนื้อหม ด, หมดตัวกรรมฐานแบบกิ้งกานะถึงเวลาก็วิ่งถึงเวลาก็หยุดนะอันนี้ก็ประเภทมันก็ะตายนั่นแหลนะถึงเวลาวิ่งพอเห็นอะไรก็จะงอก ดูซ้ายดูขวาทันที่จะวิ่งต่อไปไม่รู้สึกตัวต่อไปตรงนี้มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่แต่ละคนก็ต้องจับประเด็นให้ถูกวิธีการหลวงพ่อเทียนนี่ต้องเคลื่อนไหวหต่อเนื่องนะดูกายนะต้องให้ต่อเนื่องทีเดียวดูแล้วดูอีกดูซ้ำซ้ๆๆ้ำซ้ำ้อ่ะนะมันเมื่อยก็ปรับเปลี่ยนทีละบทเอามันเหนื่อยก็ไม่เป็นไรปรับเปลี่ยน หาที่มันเกิดความพอดีนะไม่ใช่ยกเดินจนเหน็ดจนเหนื่อยนะการเดินก็ต้องวางไม้วางมือวางหน้าวางตาอย่างเงี้ยหาความพอดีให้ได้วางใจกลางกางมันเป็นยังไงบางคนก็จับได้ประเด็นนี้บางคนก็จับยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือเป็นประสบการณ์นะั่นแหละมันก็ไม่ถูกไม่ผิดเพราะมันมีเพ่งมันจึงมีไม่เพ่งขึ้นมาเพราะมีเผลอมีไม่เผลอขึ้นมาเพราะมีหลงยังมีไม่หลงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ มีโล ก, ก็จึงมีหลงขึ้นมาพอมีความคิดก็จึงมีตัวสติที่มัรู้ทันความคิดขึ้นมานี่ก็เกิดปัญญาหลายสิ่งหลายอย่างการเป็นเรื่องที่ไม่ใจเสียหายเป็นเรื่องที่มันมีแต่ประสบการณ์ยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปลองผิดลองถูกมันจึงไม่มีอะไรดีหรือไม่มีอะไรไม่ดีในโลกนี้ยกตัวอย่างเช่นนีเอ่อ ยาช น, นิดหนึ่งปพนิซ์ลินอเล็กซานเดอร์แฟร์มตอนที่ไปพบกับยาตัวนี้มันเป็นจังหวะนะที่เปลี่ยนลายกลายเป็นดีไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่กำลังทดลองนะล้มเหลวไม่ใช่ตั้งสมมติฐานมาเรื่องหนึ่งก็เพียงแค่ว่าจะรู้ การเจริญพันธุ์ของจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งมันเจริญพันธุ์มันแบ่งตัวยังไงมันขยายแผ่พันธุ์ยังไงเผยแพร่พันธุ์ยังไง <Yeah. S 2> ปรากฏว่ามันตาย <Yeah. S 2> ก็ไม่ได้ไวไว <Yeah. S 2> ทําไมไม่ดูไม่แล ก, กันอยู่ห้องแล็บ <Yeah. S 2> ก็สังเกตเห็นจุดำดำๆมันเกิดขึ้นมาในขณะที่จุลินทรีย์มันตายเป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง <Yeah. S 2> เออมันเชื่ออะไรก็มาดู อ๋อเป็นเชือ้อราโอ้ะงั้นก็มีประโยชน์นะดนะิไอตัวนี้มันกินตัวนี้วันนั้นไอจูลินซีนะไอชีวิตนะสิ่งมีชีวิตชนิดนะนะมันก็ถูกทำลายล้างได้เนะี่ยจึงกลายเป็นนะตัวยานะที่เป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกนะเ น, น, ลนีนยเพนิซิลินเหมือนกันนะฉันใดก็ดีอุปมาณประม า, าเรารู้สึกตัวอยู่เนะียนะมันมีความปวดความเมื่อยโปรมาก มีความคิดพอมาความง่วงความเบื่อผัวมานั่นแหละเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมันกลายเป็นตัวปัญญาได้หมดหลังความง่วงมีความไม่ง่วงอยู่เงี้นะเบื้องหลังความเจ็บความปวดขนาดนั่งก็มีความไม่เจ็บไม่ปวดอยู่แต่ว่าเราทำถึงตรงนั้นหรือไม่ก็ต้องใช้ความเพียรแยบคายมีความอดทนจนไม่ต้องทนจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา เห็นพระไตรลักแสดงเห็นกายเป็นพระไตรลักเห็นเวทนาเป็นพระไตรลักเห็นจิตเป็นพระไตรักเห็นธรรมชาติต่างๆภายนอกภายในเป็นพระไตรักษภายนอกเป็นยังไงนกบินมาเมันก็บินไปรถขับมาเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวลมมาเดี๋ยวลมก็หายไปความร้อนมาเดี๋ยวมันก็ไปแมงหวี่มาเดยมันก็ไปยุงมาเดี๋ยมันก็ไปไม่เห็นมีอะไรมันอยู่เทียงแท้แน่นอนสักอันคนที่รักมาเดี๋ยวก็กลไปคนที่ช่างมาเดี๋ยวก็กลไปยังไม่ต้องไปทําอะไรเลยอย่างเงี้ย เราก็อยู่เราเฉยๆปกติของเราอยู่นี่แหละเป็นเรื่องของเขานะเพราะฉะนั้นอาการภายนอกทั้งหมดเขาก็จะตอบด้วยตัวเขาเองเขาคือใครอารมณ์ข้างในก็เหมือนกันเขาก็จะตอบเองว่าเขาคือใครไม่ต้องมายุ่งอะไรเขาเลยแค่ภาวะผู้ดูเท่านั้นเองแต่ว่าทําถึงไหมเท่านั้นนหะทําถึงสภาวะผู้ดูหรือไม่สติตาในมันเปิดเต็มที่ตื่นรู้หรือไม่ ส่วนใหญ่จะเปิดตอนไหนหรู้ไหม <c oughs> มันจะเปิดตอนที่มันตื่นบนกิเลสเตื่นตนกตกใจมันจะตื่นขับรถดีๆนั่งรถหลับมาดีๆไปเจอรถคว่ำอยู่ข้างทางตื่นทันทีมันตื่นประเภทนั้นกันนะตื่นบนกิเลสอย่างนี้ยได้ดั่งใจสุขสมอยากเตื่นดีอย่างเลยเพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงอยากก็อยากจึงเสพเพราะเสพจึงติดเี้ยิ่งเพิ่มปริมาณเท่าไหร่ก็แหม หมดเงินหมดทองมากเท่านั้นเสียไวปร่ำเวลาชีวิตนะอันนี้เรามาฝึกตื่นทุกเห็นทุกแล้วตื่นขึ้นมาเห็นการเจ็บการปวดตื่นออกมาขวละเรื่องกันไปเลยเงนะี้นะเห็นการที่จิตมันเบื่อเงนี้เตื่นออกมารู้เท่ารู้ทันมันเครียดเย่างี้ยตื่นออกมารู้เท่ารู้ทันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปเกิดดับเกิดดับถี่ยิบเลยองนีะ้จิตก็ยิ่งมีพลังเห็นล่องเห็นรอยแล้วเป็นมครคไปเลย เป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลส่วนใหญ่เรารู้ว่าปวดเมื่อยแต่ว่าไม่รู้จะทําไงกับมันมันเจ็บมันปวดมันชามันเด็บเนี่วบางทีมันง่วงมันเบื่อไม่รู้จะทําไงมันก็เป็นแค่มักรู้ว่าทุกข์แต่ว่าผ่านทุกข์ไม่ได้รู้ว่าคิดแต่หยุดความคิดไม่ได้ก็ดีแล้วไงกันนะเดินทางยังถึงจุดหมายปลายทางเหม็นแปะก็เดินก้าวเดียวต่อไปก้าวเดียวก้าวเดียวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัววินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งเนี่ยรู้สึกตัวไปเรื่อย เดีมก็ถึงเองหรอเปรียบเหมือนกับพระมหาชนกนะมันมีชาดกนะเชื่อกันว่าชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านบําเพ็ญเพียรมามากนะเมื่อกี้เราจะตรวดนะมักมีองค์แปก็จะมีเหมือนกันนะองค์แห่งความเพียรนะมีอยู่ก่อนที่จะเกิดนะมีสตนะิขึ้นมาสติปัฏฐานกนะ็มีองค์แห่งความเพียร น, นันะ่นแหละเพียรนะที่จะ ละกิเลสสัมรวมตาหูจมูกลิ้นมีการสัมรว์มาสัมรวมเดี๋ยวก็วิตมันอย่างเดียวละมันอย่างเดียวเลยความคิดเกิดขึ้นมาวิทย์ออกวิทย์ออกวิทออกหรือกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกไม่เข้าไปในอาการต่างๆที่จิตมันเคยมีกรรมมีวิบากต่างๆมากมายประทับเอาไว้วิตย์ออกให้หมดคิดถึงอดีตสุขวิตออกกลับมาปัจจุบันคิดถึงอดีตทุกข์วิตย์ออกกลับมาปัจจุบั น, นวิทย์ออกมันอย่างเดียวเลย ระทั่งโอ้โหองแห่งภาวนาคือรู้แล้วรู้อีกต่อเนื่องเชื่อมโยงเก็บความรู้สึกตัวให้มากาเทีเท่ยมมากได้สติที่ฐานกายสติที่ฐานจิตสติที่มันรู้เท่ารู้ทันธรรมอารมณ์ต่างๆเก็บเข้าไว้เก็บเข้าไว้เก็บเข้าไว้เรียกว่าอนุรักษณาเลยอนุรักษนาประทานรักษาไว้ภาวนาประทานรู้สึกเข้าไว้ ก็เป็นองค์แห่งความเพียรได้หมดสลัดคืนสลัดคืนนะคิดขึ้นมาไม่เอากลับมาที่ปัจจุบันขณะสลัดคืนไปแล้วอดีตก็อยู่อดีตไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรากรรมกัดกัดไม่ได้นะบางทีคิดอดีตเป็นทุกข์อย่างนี้เช่นมาเช้ามีเพื่อนเราบางคนนะในเนี่ยนะเป็นหมอขณะเดินมาก็ปรึกษาว่าโอ้มันมีความทุกข์อยู่ก็คือ พ่อแม่ชอบทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแม่ก็ชอบเล่าเรื่องราวของพ่อนะพยายามที่จะเอาลูกเข้าข้างแม่กันนะลูกก็ไม่เข้าข้างแม่ฟังเฉยๆแม่ก็หาว่าลูกเนี่ยแม่ไม่เชื่อฟังหรือว่าดื้อดึงไม่ทําตามทําไมเป็นอย่างนั้นก็ทุกข์ใจะนะก็คือจิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันไปอดีตก็มีความทุกข์อะไรมาก็ตาม มันก็สามารถคิดแล้วก็ร้องไห้ได้บหาคิดแล้วก็น้ําตาซึมได้บ่าเงี้ยเราก็ไปไปแล้วก็ปิดกัน้นเอาไว้นะมารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเงี้ยมันก็จะช่วยเราได้ทันทีก็ให้สังเกตอย่างเงี้ยนะหรือว่าเมื่อตอนบ่ายโมงประมาณเนี้ยได้ให้เรารู้จักคําว่าบุญที่พระให้พร อ, อภิวาทนาสีฤทินิจังวุฒธธาวิาโนจตตาเราทำมาวัฏทันติอายุนโนสุ ข, ขังพลัง พยายามให้ใช้สติการเคลื่อนไหวมือแทนที่จะเคลื่อนมือสิบสี่ชั่ววันให้เคลื่อนไหวมือมาไหวกันเอามือพันนมมือแล้วก็ไหว้กันก้มหัวก็รู้สึกก้าวไปเป็นการเดินโากมก็รู้สึกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันเป็นยังไงผลของการทําอย่างเงี้ยถ้าใครมีสติรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกส ก, ส ก, ก็จะเกิดสภาวะของปกติธรรมดาธรรมดาเฉยๆขึ้นมานะแต่ถ้าใครก็ตามที่ มันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกไปมองหน้าเพื่อนเห็นเพื่อนยิ้มปรุงทันทีเกิดความพอใจทันทีนะเกิดความดีความงามทันทีจิตมันก็ฟูสิคะเน่ก็กลายเป็นตัวปิตนะิกลายเป็นจิตที่เป็นบุญเป็นผลบวกขึ้นมาในะกลสังเกตนะบางทีก็อาจจะเกิดความเหมือนกับว่าติดจิตเข้าไปอันนี้อันตรายเหมือนกันนะเวลามีปิติเยอะๆถึงตายได้ ถึงตายได้คนที่ดีใจมากๆถึงกับตายได้นะอันนี้เปรียบเทียบว่าความเย็นหรือว่าน้ำแข็งหรือว่าหิมะสามารถฆ่าคนได้เหมือนกับความร้อนเหมือนกันสามารถกัดผิวของเราให้มันลอกล่อนได้หิมะเนี่ยเหมือนกับโดนน้ำร้อนลวกเหมือนกันความเย็นลวกพนะิติตก็เป็นแบบนั้นแหละนะมีคนคนนึงนะอยู่ทางเหนือจังหวัดเชียงราย แม่เขาไม่เคยที่ลูกจะไปกราบไปไหว้เสร็จแล้วจัดปฏิบัติธรรมก็ให้แม่เขาปฏิบัติธรรมแม่เขาปฏิบัติไม่ได้เสร็จแล้วทาวัดสวดมนต์ก็ลุกขึ้นนั่งบางทีก็นั่งเก้าอี้บางทีก็เดินไปเพนผ่านเพราะว่ามาปฏิบัติธรรมตอนแก่ตอนเท่าไม่เคยทามาก่อนทาวัดสวดมนต์ ลูกสาวเป็นหมอไปย้ำให้แม่เนี่ยอยู่ให้ได้ให้ครบเนจะ็ดวันแม่ก็บอกกับพระไว้ประมาณ3ามสวันเนะี่ยจะขอกลับแล้วไม่ไม่ไหวจริงๆมันสวดมนต์มันก็ทรามานปฏิบัติยิ่งทรามานนะไม่ไหวนะก็เลยตีสนิทโดยการเดินจงกรมอยู่ข้างๆนั่นะให้นิมิตนะปฏิบัติไปก็เกิดนะมันก็จิตใจมันโล่งโปร่งเบาขึ้นมา เดินจงกรมก็เกิดปิติขึ้นมาก็เลยมาบอกกับพระไม่กลับบ้านแล้วนะเออวันนี้ได้สัมผัสกับปิติมีปิติสุขที่สุดเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยทำไมมโล่งโป่งเบาไม่กลับแล้วอาจารย์ลูกสาวก็ดีใจเป็นหมอมากราบแม่แม่ แม่จินเจ้าชื่อจินนะนะแม่จินเจ้าแม่จินเจ้าฮักแม่ที่สุดเลยเจ้าพูดเป็นภาษาเหนือนะวิปัสสนากรรมฐานก็ดีที่สุดเลยนะแม่นะบอกกับแม่ไปกราบแม่ที่ตักกอดแม่แม่ทึ่งตกใจว่าทำไมลูกสาวถึงมาทำดีกับแม่ขนาดนี้เพราะอะไรเวลาแม่นอนเน่หมอยังไม่กลับมาเลย เวลาตื่นขึ้นมาลูกสาวก็ไปทำงานก่อนแล้วไม่เคยเจอกันเลยแม่ก็อยู่บ้านหมอก็สร้างบ้านหลังใหญ่ ใ, ให้อยู่ทำงานทำการมีความสาเร็จสูงเอาแม่มาเลี้ยงอยู่ไม่เคยคุยกับแม่ไม่เคยกอดแม่ไม่เคยกราบแม่มีแต่เอาแต่ใจตัวเองแม่ก็เหมือนกับนกน้อยในกรงทองทรมานมาก แต่อยู่ดีๆลูกมาทำดีพูดดีมากอดปลื้มใจสุดๆเลยนะปรากฏว่ากอดกับลูกร้องไห้แล้วก็ตาค้างตายกลางอากาศเลยขนาดนั้นเลยนะปีติเลยเป็นโรคหัวใจปรากฏว่ามันหยุดทำงานทันทีเลยรถแอมบูลานก็ช่วยไม่ได้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆ ก, ก็ช่วยไม่ได้หมอสารพัดหมอก็อยู่ในนั้นโรงพยาบาล ก็อยู่ติดๆนั่นแหะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ตายคาที่เลยงานนั้นหนึ่งศพเพราะว่าปีติอารมณ์บุญเพนะราะนั้นอารมณ์อย่างเงี้ยมันพาไปสุขติพาไปสุขติเป็นเทวดาเป็นพรหมมนันวะละอีกอันคือทุกติปฏิบัติแล้วอึดอัดคาใจนะจิตเป็นเดรัจฉานอาการตนะิอยู่ที่ไหนก็ล้อนไปหมดปฏิบัติธรรมประเภทนี้นะจิตอากติ เป็นรนะนาพบภูมิต่ําเข้าถึงตัวกรรมฐานนิย่าที่สุดในโลกเลยนะเป็นสัตว์นโกก็ขี้ขาดตาขาวอะ่ะจะไปทําก็กลัวนั่นกลัวนี่ไม่รู้กลัวเลยเขาบอก น, นะมันมีอะไรน่ากลัวหรอนะที่กลัวผีมาอยู่ที่วัดนึกกลัวผีโถ่ในโรงพยาบาลนะ่ะผีเยอะกว่าที่วัดอีกคนตายเยอะจะตายไปจะกลัวอะไรผีที่วัดอ่ะผีที่วัดก็ดีนันอยู่กับพระใช่ไหมผีโรงพยาบาลนะ่ะไล่เหมือนหมอมัมนโรงพยาบาลในโรงพยาบาลแหละ อารมณ์เสียผีอารมณ์เสีย น, น, นก็เลยว่าโอ้เราก็มาดูใจเราว่ามันเป็นสุขติจะโทนปีติลนะเบาโลง่งอย่างเงี้นะร่มเป็นโทนทุกขติตกอาบายอยู่ตลอดเลยไปบัตธรรมมันมีแต่อึดอัดขัดใจขัดแย้งไปในจิตใจล้อลุ่มไปหมดเงี้ย น, นะหรือว่ามันปกติอันนี้ก็คือมาวัดป่าสุข ต, ต้องรู้จักตัวปกติ อันนี้เราเป็นภูมิที่มันเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายเหนือทุกข์เป็นวันละสุขติไปแล้วดวยดนะีเวลามาสู่ความเป็นปกตินะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่นะัมันไม่เข้าไปในความคิดนะมันไม่เข้าไปในสมมุติคิดดีมันก็ไม่เอาคิดชัว่วมก็ไม่เอาเวลารู้สึกตัวสัมผัสรู้เนะี่ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวจะมีคุณอมหันะมีคุณมหันมีคุณอ น, นัน มากมายแล้วเกินอเนกั น, กนมันรวมลงอยู่ในความรู้สึกตัวทั้งหมดนะสี่ก็ความรู้สึกตัวสมาธิกับความรู้สึกตั ว, ว, ตวปัญญาเป็นความรู้สึกตัวกุศลก็เป็นความรู้สึกตัวอกุศลเป็นความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกที่ตัวเราก็จะเห็นหน้าตารเ่าเนี่ยมันเป็นแค่ธรรมชาติของชีวิตเราคราวนี้จะทําอะไรก็ทำํทำไปเถอะทาด้วยจิตใจที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคลื่อนมือเป็นปกติขณะที่เคลื่อนมือ14จังหวะเนี่ย ก็ไปเคลื่อนมือไหว้กันให้มเป็นปกติเหมือนกันไปเคลื่อนมือหยิบจานหยิบถาดหยิบเข็มฉีดยาหยิบเครื่องไม้เครื่องมือจะหยิบพวมาลัยรถจนจับพวมลัยรถจนจะหยิบอะไรก็ช่างเดิมก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละเป็นความปกติเป็นความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้จะทำอะไรก็ทำไม่ได้กระด่ายเคลื่อนไหวมือรู้สึกตัวขยับปากก็รู้สึกตัวเหมือนกันกระพริบตากรรู้สึกตัวเหมือนกันความคิดมันขยับก็รู้สึกตัวเหมือนกันตัวนี้นะ มันก็จึงเป็นอริยรัพเยในมันไม่โจนใจหรอกนะเพราะว่ามันรู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวมันมีอะไรมากมายที่มันพาเป็นมักเนะ่ยไปสู่ทางเดินสู่การพ้นทุกนะมีแต่ความสุขเกษมสารนะเราก็จึงในหลังฝึกหัดกันมาเต็มที่แล้ววันนี้ทั้งวันนะได้บ้างไม่ได้บ้างหลงบ้างรู้บ้างไม่เป็นไรอย่างน้นอยๆก็ได้ประสบการณ์ สิ่งที่ได้แน่ๆก็คือเนี่ยอาการเคลื่อนไม้เคลื่อนประสาทสามสี่วันวนะนะอย่างน้อยๆกล้ามเนื้อกระชับน ะ, นะกล้ามเนื้อในกระชับเดินจงกรมเนี่ยโอ้ยกล้ามเนื้อกระชับเลยฟิตเปี้ยเลยใช่ไหม อ, อีกอันที่ได้แน่ๆก็คือมาที่นี่ได้พักผ่อนกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาอากาศก็สบายนะเห็นไหมพวกนี้จะกลับวันนี้ยหน้าตาผ่องใสกันทุกคนเลยด้วยนะโอ้เนี่ยมันทธรรดาที่ไหนเราเนี มีแต่ได้กับได้นะปฏิวัติธรรมนะทำดีมีแต่ได้ไม่มีเสียนะงานนี้มีแต่ไดนะ้ก็เลยว่าหน้าอนุโมทนารจริงๆกับกิจกรรมแบบเนี้ยนะทำให้วัดดูมีสีสันะพระกระพรอยได้โยมเป็นครนะูโยมทุกคนจะเป็นครูของพระนะมาใย่พระเป็นครูเป็นอาจารย์ของโยมเลยโยมสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างให้อนาวมามาเห็นตัวเองนะโอ้เห็นเขาเห็นเราเขาเป็นครูนะ บางอย่างนะเขาก็ทําดีสำหรเราอีกนะอก็ทําดีขนาดนี้นะบางคนเนี่ยนะทำเหมือนกับพระเลยเหมือนมืออาชีพเลยนะี่ยขณะที่พูดขณะที่เดินเนะ่ยสัมผัสไดๆมีความเย็นสูงมากนี่แหละจะเป็นหมอที่ดีต่อไปนะเหมือนเป็นพระเลยแหะอยู่ที่โรงพยาบาลแต่งชุดขาวสวมชุดคุยนะเวลาคุยกับคนไข้คงจะเย็นเหมือนกับคุยกับพระเนี่ยสัมผัสได้อยู่ น, ะนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติ นะในครั้งนี้ที่เรามารวมตัวกันทุกคนทุกท่านนะก็ขอให้ทรมาที่เราปฏิบัตินะก็จงเป็นเหตุและเป็นผลปัจจัยคั้มตนุนส่งให้พวกเราทุกคนนะนะได้มีความสุขเกษมสารในการทำงานทำการการใช้ชีวิตนะจนกระทั่งอยู่เนือทุกนะมีแตนะ่จิตใจที่มันสงบเย็นแล้วก็ได้ทำประโยชน์นะโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทั้นเธอ